ทุกอย่างแล้วสำหรับสัตว์โลกทั้งหลายจะพึงยึดถือเป็นหลักใจและข้อปฏิบัติ mm hmm. เต็มกําลังความสามารถของตนไม่มีผิดพลาดหากเลื่อนแต่อย่างใดพูดถึงเรื่องความอุตสาห์พยายามความอดทนความขวัขวายทุกด้านความตะเกียบตะกายความเป็นนักต่อสู้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 จนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในโยยธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในโลกนี้และเป็นสิ่งที่โลกจะพึงรู้เห็นตามพระองค์ได้ไม่สุพิสัยตามภูมิของตนที่จะพึงรู้พึงเห็นได้เนื่องจากการปฏิบัติได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นพอเหมาะสมแล้วกับสัตว์โลกซึ่งมีหลายคณะด้วยกันท่านเรียกว่าพุทธบริษัทหรือภิกษุ ภิกษุณีเดี๋ยวนี้ท่านอกสามะเนรเข้าแทงอุบาศกอุบาสิกานี่คือผู้จะสามารถรับพระอุวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้คำว่าศาสดาย่อมเป็นผู้เฉลียวฉลาดทั้งอุบายแนะนำสั่งสอนว่าธรรมะประเภทใดที่สมควรแจ่บุคคลจำพวกใดไม่ทรงสั่งสอนให้นอกเหนือไป จากกาลังความสามารถของพุทธบริษัทหรือสาตว์โลกทั้งหลายจะพึงทำหรือปฏิบัติตามได้และรู้เห็นได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นศาสด า, า, าองค์เอกในการที่จะนำอุบายมาแนะนำสั่งสอนโลกสั่งสอนมนุษย์ก็ประเภทหนึ่งสั่งสอนภิกษุก็เป็นขั้นหนึ่งสั่งสอนฆราวาสทั่วไปเป็นอีกขั้นหนึ่ง สั่งสอนพราว่าดผู้มีการประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับพระสงค์ก็สอนเช่นเดียวกันกันกบพระสงค์ตามแต่แง่ธรรมนั้นจะมีหนักเบาอย่างไรสำหรับผู้ปฏิบัติรู้เห็นนั้นจะพึงนามาทูลถวายพระองค์และทูลถามในข้อของใจของภูมิจิตภูมิธรรมนั้นๆพระองค์จะทรงชี้แจงให้เหมาะสมกับภูมิของผู้นั้นเป็นที่พอใจ ไม่สงสัยไม่มีทางผิดพลาดไม่ว่าจะ ส, สั่งสอนมนุษย์นอกจากมนุษย์แล้วยังทรงสั่งสอนเทวดานี่ใครเคยเห็นไหมเทวดานอกจากจะชุดลากเอาความรู้ความเห็นของจอมปราดที่ฉลาดเหนือโลกนั้นเข้ามาสู่ความรู้ความเห็นของตนที่เต็มไปด้วยหมูด่ด้วยขูดคือกิเลสตัณหาสภาวะประเภทมืดบอด ให้เป็นไปตามใจของตนเท่านั้นธรรมย่อมมีทั้งภายในภายนอกมีทั้งหยาบทั้งละเอียดสิ่งต่างๆที่ทำเกี่ยวข้องที่ทำกล่าวถึงที่พระองค์ท่านนำมาสั่งสอนก็ย่อมมีทั้งธรรมฝ่ายละเอียดธรรมส่วนกลางธรรมส่วนหยาบและวัตถุส่วนหยาบวัตถุสิ่งอันละเอียดเช่นนามธรรมาหรือพวกกายทีกายเทศ ดังที่เราทั้งหลายได้ยินอยู่เสมอได้อ่านเสมอในตำรับตำลาพระสูตรมีความจริงทั้นใดพระวินยัยพระอภิธรรมมีความจริงเท่าเทียมกันไม่มีสูตรใดพระในสามปิดกนั้นจะเป็นธรรมจองปลอมพราที่จะนำมาสั่งสอนโลกด้วยความจองปลอมว่าศาสน า, า, าทางด้านนี้เป็นศาสน า, าจริงด้านหนึ่งเป็นศาสน า, าจองปลอม การอบรมสั่งสอนสันโลกจึงนำทั้งทำจริงและทำตอ ม, มาสั่งสอนสันโลกอย่างนั้นไม่มีในพระศาสดาทุกๆพระองค์ตามหลักธรรมมีเช่นนั้นเราจะลงใจก็ควรลงใจได้แล้วกับพระพุทธเจ้าควรจะสั่งสอนเทพท่านใดภูมิใดพระองค์ก็ทรงนำทำนั้นไปสั่งสอนตามขั้นตามภูมิของผู้ละเอียดทางด้านของกายและทางด้านจิตใจ เช่นเดียวกับสอนมนุษย์นี้เพราะธรรมเป็นของกลางจิตใจนั้นแม้จะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์ก็ตามมีความละเอียดหยาบเช่นเดียวกันเพราะคำว่าจิตนี้เป็นนามนธรรมสิงสถิตยอยู่ได้นในร่างต่างๆแต่ว่าเครื่องมือของเขามันอาภาพัพเช่นอย่างสัตว์เขาไม่สามารถจะทราบได้ว่าบุญบาปเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ทราบบุญบาปดีชัวนะ่วนรกสวรรค์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 ตามที่พระองค์ประทานไว้แล้วไม่ว่าจะ ก, กล่าวเรื่องพระสูตรพระสูตรท่านกล่าวเรื่องอะไรก็เป็นจริงตามนั้นพระวินัยก็เหมือนกันพระธรรมก็เหมือนกันแต่รวมแล้วต้องเป็นจิตนี้เป็นผู้รับรองเป็นผู้จะสัมผัส ร, ร, รับรู้ในสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นอย่างอื่นจะรับรู้ได้ทางหูทงางตาก็มีแต่ไม่สามารถที่จะรับรู้โดยทางใจ เป็นเฉพาะก็มีใจสามารถที่จะรับทราบสิ่งเฉพาะได้นั้นมีมากมายกลายกอง น, นี่แหละเข้าว่าของพระพุทธเจ้าแยกตามขั้นตามภูมิเป็นอย่างนี้จึงเป็นแบบฉบับแต่โลกได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะแนะนําสั่งสอนในเแง่ใด เ, เป่นถึงพูดถึงเรื่องความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนความประหยัดมัธย์ญติความไม่ลืมเนื้อลืมตัว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 ในการคุยเคี่ยขุดค้นที่จะทำลายที่เล็กซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้แตกกระจัดกระจายไปโดยลาดับเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ได้อบรมตอนอยู่เสมอด้วยความภาคเพียรความมุสาพยายามสืบเนื่องต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นฝ่ายคารวาดก็นำประพฤติได้ตามในหน้าที่ ก, การงานนอกจากนั้นยังจะทาจิตใจของตนให้สงบมีแบบมีแค บ, บมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ ด, ด้วย ไม่เป็นคนทะเลได้ทะเลถ่ายได้ร้อยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ยิ่งว่าไม่มีแบบฉบับใดที่จะสมบูรณ์แบบที่โลกจะนําไปพูดปฏิบัติทั้งทางคารวะและทางพระยิ่งกว่าแบบฉบับแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ประทานไว้แล้วนี้เฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างไรนี่เป็นข้อสําคัญมากเรามีหน้าที่อันใดเวลานี้แล้วเราบวชมาเพื่ออะไร ต้องทราบความมุ่งหมายอย่างการบวชของตนในครั้งพุทธการท่านบวชมาเพื่อชำระกิเลสสะสารกิเลสปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นค่าสึกต่อจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานพบชาติสูงต่ำดีชั่วสุขทุกขประการใดๆนั้นขึ้นกับเรื่องของกิเลสเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ขุดค้นลงที่จิตใจใจนี้เป็นสิ่งสำคัญ ม, มาก <c oughs> ร่างกายตายไปสลายไป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 เพราะความเห็นภัยในวะตาสงสา ร, รต้องเป็นผู้สร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามทุกด้านขึ้นให้มีกำลังพร้อมพๆกันไปโดยลำดับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนี่จิตของเราทำไมจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไม่ได้เมื่อมีการบารุงรักษาอยู่โดยอยู่โดยชอบธรรม ต้องเป็นจิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้อย่างจิตพระพุทธเจ้าก็ดีจิตของสามกทั้งหลายก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นจิตที่ฝังจมอยู่กับกิเลสมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกับจิตของพวกเราเราท่า น, นนี้ไม่ติดกันเลยพูดถึงเรื่องกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันทําไมท่านสามารถทําระสัจฉงท่านให้หลุดพ้นไปได้กลายเป็นสรณะของโลกไม่มีวันจิดจางตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้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 คำว่าสังคังท่ง า, านนางขที่เรากล่าวถึงพร ะ, พระสงฆ์มาเป็นชนะก็ไม่ใช่พระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพียงองค์ปัจจุบันนี้เท่านั้นยังหมายถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้เป็นที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์พระองค์ทุกทกพระองค์อีกด้วยและท่านเหล่านี้เมื่อสรุปความลงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เกิดในทํากลางแห่งหมูดแห่งคูดคือกิเลสตัณหาอสาุภะทําไมท่านสำลักออกหรือช้าล้างออก ให้สะอาดไากจนได้เป็นผู้วิเศษวิโสได้ถึงศารณะหรือพวกสัตว์โลกทั้งหลายได้ถึงถือท่านเป็นสารณะก็เพราะความภาคเพียรในหลักสําคัญท่านกล่าวไว้ก็มีสีข้ อ, อฉันท่านั่นคือความพอใจในหน้าที่การงานของตนอันเป็นทางถอดถอนกิเลสสาหรับหน้าที่ของพระเป็นอย่างนั้นและความรู้สึกของพระโดยถูกต้องก็เป็นอย่างนั้นวิริยะเพียรเสมอ ไม่ว่าจะกิดนอกการในต้องมีความภากเพียรมีความจงใจอีตะมีความฝากัฝกใฝ่ผฝักใฝ่ใกล้ชิดกับตนอยู่เสมอคือใจและหน้าที่การงานเมื่อมีความฝักใฝ่ใกล้ต่อกิจการงานนั้นๆอยูด่ด้วยความสนใจแล้วยอมเป็นไปด้วยความราบเรื่นดีงามไม่ค่อยปิดพลาดวิมังสาเป็นสิ่งสำคัญมากคือดวงปัญญาต้องมีความรอบคอบ ทังจิตนอกการในแะ่พ่อหยิ่งอย่างยิ่งการภาวนาเวลาจะใช้ปัญญาต้องใช้ให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัตราของสติปัญญาของตอนที่มีอยู่มากน้อยและพยายามบำรุงปัญญาคือชอบคิดอ่านไตรกองต่างๆทั้งภายนอกภายในสงเคราะห์เข้าสู่ธรรมคือหลักให้จังทุกขังหน้าตาเพื่อจะถอดถอนอุปาทานความยึดมัน่นถือมั่นของตอนอันเป็นตัวกิเลสฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออก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 ที่เมื่อไรมันร้อนเหมือนนั้นก็แสดงว่าไฟกับเรานี้ไม่ขินกันนี่กิเลสกับเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกิเลสประเภทใดย่อมเป็นเหมือนไฟถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นตามความจริงของกิเลสแล้วต้องเป็นเหมือนไฟท่านจึงเรียกว่าราคขินาโทสักขินาโมหคขินาไม่เป็นไฟท่านจะเรียวาราาร ก, กยว่าไฟได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์อุตตริท่านพูดตามหลักความจริงเป็นแต่เพียงว่าเราไม่พิจารณาตามหลักความจริง ปีงเดียวกับทําอยู่เสมอในขณะเดียวกันก็เป็นฆาสึกกันกับธรรมคือกิเลสของเรานั่นแหละเป็นฆาสึกกับธรรมโดยเราไม่รู้สึกตัวและไม่มีเจตนาถึงจะเจตนาไม่เจตนามันก็เป็นกิเลสเช่นเดียวกับไฟเจตนามาขี้ตัวเองหรือไม่มีเจตนาปไะเยียบมันเข้ามันก็ร้อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ควา ม, มาระมัดระวังรักษาอย่าเคยชิงกับกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นฆาสึกเหมือนกันกันกบไฟ อยู่ที่ไหนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนให้มีความอุตสาห์พยายามมีความตั้งสติตังหน้าที่ของเรามีอย่างนี้เป็นกับตายเราก็มอบไว้กับผูท้ทางธรรมังสะนังกฉามิจุดจุดท้ายก็คือว่าจะมอบไว้กับความหุดพ้นจากทุกตุกการทั้งปวงเท่า น, านั้นนี่เป็นงานของเราเรื่องทุกจริงทุกอย่างไม่มีอะไรเดือดร้อนนอนค้างอะไรเลยจะตุปปัจจัยทยฐานเป็นมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะท่านผู้ใจบุญหวังอนุโมทนาศรัทธา ยินดีกับท่านผู้หวังดีผู้บุกเติปฏิบัติอยู่มากแล้วเวลานี้ไม่บกพ้่องมันบกพร่องตั้งแต่เราที่ตั้งหน้าตั้งตาออกแนวรบต่อกิเลสปัญหาสําหรับเพื่อจะได้ของดิบของดีใช้ชนะคือชนะกิเลส อ, ออกไปสั่งสอนโลกนั่นสิสําคัญที่ตนสอนตนไม่ได้จะสอนโลกได้ยังไงตนมีความบกพ้่องอย่างรายการสอนโลก ก็ต้องบกุกคล้องอย่างนั้นตนมีความสมบูรณ์เต็มที่สอนโลกก็ต้องสมบูรณ์เต็มที่เพราะสอนออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงของตนเรียกว่าวิชาเต็มภูมิธรรมะเต็มใจการแสดงออกทุกแง่ทุกมุ ม, ม, มต้องเป็นอัดเป็นธรรมเป็นแง่ให้คิดให้อ่านให้ใ่จรงิงให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้ทั้งร้นจึงชื่อวันทำทำไม่เคยทําความพินาศให้แก่โลกแม้แต่แง่นิดนิดหนึนน่งไม่เคยมีนอกจากกิเลสเท่านั้นทําความเดือดร้อนให้แก่โลกแก่เราเราจึงควรสนใจในจุดนี้ให้มาก ยืนเดินนั่งนอนอย่าเป็นผู้เผลอสติให้นมัดระวังสติสติเป็นสิ่งสำคัญในวงความเพียรปัญญาจะที่จะนาไปมากน้อยสติต้องเป็นผู้กำกับเสมอเราจะเห็นได้เวลาสติปัญญากลมคืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นนั่นแหละเราจะทราบได้อย่างชัดเจนสติกับปัญญาจะพรากจากกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านอัศจรอัศจรโดยความจริง ธรรมของท่านที่อยู่ในพระไทยก็เป็นธรรมที่อัศจรรย์โดยหลักธรรมชาติมาสั่งสอนโลกก็เป็นธรรมอัศจรรย์แต่พอมาคัดเข้าพอมาคัดเข้ากับสิ่งไม่อัศจรรย์สิ่งเล้วไหลโลเลอสิ่งตโซกับปลกโซ่หมมธรรมจึงกลายเป็นเหมือนไม่มีคุณมีค่าอะไรเลยเป็นอย่างนั้นแต่เราจึงพยายามทําตัวให้มีคุณค่าสําหรับเป็นภาชนะรับธรรมของพระพุทธเจ้าโดยลํำดับตั้งแต่ขันศีลขั้นสมาธิ เป็นขั้นขั้นปัญญาเป็นปุ่มปุ่มจนถึงขั้นวิมุติทนด้วยความสัตว์ความจริงจะเป็นผู้อัศจรรย์ภายในตัวเองโดยไม่ต้องหาสิ่งใดมาเส็กสรรปั้นยอแหละจะเป็นขึ้นโดยหลักธรรมาชาติแห่งธรรมซึ่งเป็นของประเสริฐดูแล้วทําไมจิตใจเข้าไปสัมผัสธรรมในซึ่งเป็นของประเสริฐอดูแล้วจะไม่ประเสริฐไปโดยลําดัลบลำักมีอย่างเหลือต้องประเสริฐจิตไม่เคยสงบจิตไม่ มีตั้งแต่ความหุ่นวายยุ่งเหยิงเพราะอำนาจของกิเลสก่อขวนทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขความอัปจันต์ความแปลกประหลาดมาจากไหนมองไปไหนก็เห็นเป็นปืนเป็นไฟเหมือนกันทั้งภายนอกภายในหาสิ่งที่จะพระเสริฐภายในาจิตใจไม่มีเลยโลกมันก็แคบไปหมดดูที่ไหนก็เหมือนเหมือนว่าจะเป็นอย่างเดียวกันทั้งๆที่ของดีมีอยู่นี่เพราะความไม่ฉลาดของเาอราเพราะนั่นจึงฟื้สติปัญญาขึ้นให้มีความเฉลียวฉลา ทำจิตให้มีหลักมีเกณฑ์พูดถึงเรื่องสมาธิเอาถ้ากําหนดให้จิตสงบด้วยวิธีการใดก็ให้ตั้งหน้าต่างๆมีสติส ต, สตังเอากันจริงกันจังให้เห็นนั่นนหละทำบุญเจ้าเป็นของจริงพระองค์ทำจริงทําไมเรามาทําเล่นมันเข้ากันได้หรือท่านทําจริงรู้จริงเราทําเล่นมันก็รู้เล่นสิมันรู้ความจริงแน่เลยมิจะรู้อย่างของจอมปอลอมล็อกอยู่ตลอดเวลาเมื่อทําจริงแล้วต้องปรากฏ สมาธิจะหนีพ้นจิตนี้ไปไม่ได้จิตตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่แหละเพกิเลสเข้าแทรกกิเลสเข้าทํางานกิเลสเข้าเป็นเจ้าของจึงต้องใช้สติปัญญาศรัท ธ, ธาความเปลี่ยนหมุนเตีว้วเข้าไปตรงนั้นมันจะหมุนไปไหนมันจะยุ่งไปไหนจิตนี้สติบังคับให้มันอยู่กับที่ให้อยู่กับทำรรให้อยู่กับงานที่กําหนดพิจารณาอยู่นั้นโดยท่าดียวเป็นกับตายเ ว, เวลาไม่ต้องกําหนดกําหนดเฉพาะความรู้เท่านั้น โลกอันนี้ไม่ให้มีอะไรมาปรากฏในความรู้ให้มีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันเช่นระเบิกรม ร, กรมรกรม็ดีห ร, รือกําหนดอนาปานทัศน์ก็ให้มีเฉพาะนั่นเท่านั้นยาจิตมันถักดันออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นแหละที่จิตมีความเถือตัวไปเสมอหาความสงบไม่ได้เพราะจิตนี้มันเถือตัวมันโผล่ออกไปข้างนอกโดยที่เราไม่รู้ถ้าเราตั้งความรู้ไว้เฉพาะว่า โลกนี้ไม่มีให้ทําความเข้าใจอย่างนั้นมีอยู่ก็ตามทั้งๆที่ธาตุขานี้เป็นโลกแต่ในขณะนี้ไม่ความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโลกนั้นเข้ามาแทรกกิจได้ให้มีตั้งแต่จิตกับธรรมที่กําลังทํางานต่อกันอยู่พันนั้นแล้วมันจะไปไหนนั้นต้องสงบได้นี่เคยทํามาแล้วไม่ได้มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังเฉยเฉยโดยโอ้อวดได้ฝึกงานทางโลกก็ทํามาเต็มที่กําลังความสามารถแต่เรายังไม่เคยเห็นงานใดที่เราเคยผ่านมาแล้วจะเป็นงานหนักหนา ยิ่งกว่า ง, งานฝึกหัดจิตตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่จะมีความสงบเย็นใจเพราะมันยิ่งกว่าลีงกว่าข้างบางชนีมันลุกลิดลุกลิดมันดิ้นรนกวดแกว่งอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรื่องของกิเลสเข้าแทรกสิงใจเป็นเจ้าของของใจทีนี้เราจะนำธรรมเข้าไปให้เป็นเจ้าของอืให้เป็นเจ้าของของจิตให้เข้าแทรกจิตแทนที่กิเลสจึงต้องใช้ความพยายามกันเต็มเม็ดเต็เมหน่วย บางครั้งเอาตายมันก็ตายมันจะไปไหนเกิดมาแล้วต้องตายเขาไม่นั่งสมาธิภาวนาเขาก็ตายฉัดในโลกนี้าตายด้ยวยกันทางนั้นไม่มีใครที่จะเดินเลยตายช้าไปได้ที่ว่าไม่ต้องตายอยู่ข้ามฟ้าได้หรือโล ก, ก น, นี้นี่จะตายในสนามโลกคือการต่อสู้กับกิเลสก็ให้เห็นจะเป็นยังไงเห็นถ้าหักมาไม่ตายก็ให้รู้นั่นแหละทีไม่ตายกลับรู้ขึ้นมาจุดได้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 ความอดความทนทุกแน่ทุกมุมรวมตัวเข้ามาเป็นกําลังเพื่อจะต่อสู้กับวิเดกประเภทต่างๆให้ได้ชัยชนะไปโดยดั่ๆดับโดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยการทําจริงเป็นอย่างนี้เวลาจะทําจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งหน้าตั้งตาทําเฉพาะสมาธิอย่าไปสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งนั้นในขณะต้องการความสงบให้เป็นความสงบจริงๆเรียกว่าสมถะหรือเราจะพิจรารณาร่างกายขึ้นลง เหมือนกับว่าเที่ยวกรรมฐานีกรรมฐานกรรมฐานนะประนัติที่ตั้งแห่งการงานอันเหมาะสมอย่างยิ่งสาหรับผู้ต้องการความพ้นทุกข์ก็คืออาการสามที่สองนี้เราจะพิจารณาขึ้นพิจารณาลงเที่ยวกรรมฐานอยู่ภายในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดให้อยู่ตรงนี้ก็ได้ให้มีด้วยความมีสตินี่จิตจะพ้นไะได้ต้องสงบนี่เป็นขั้นของสมาธิในเบื้องต้นทําอย่างนี้ในขั้นของปัญญาเมื่อจิตมีความสงบ ตัวพอสมควนนะจิตก็มีความอิ่มตัวไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆที่นําจิตที่มีความสงบอิ่มตัวนี้ไปพิจารณาในแง่ต่างๆแห่งธรรมเช่นอาการสามสองทั้งภายนอกภายในได้ทั้งนั้นเป็นปฏิกูลก็ตามเป็นอนิจจังทุกขังนาาิสตาก็ตามนี่เป็นหลักความจริงคําว่าปฏิกูณใครก็เห็นใครก็รู้กันอยู่เพราะมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่ไดโกหกไอ้ข้าโกหกสิ่งโกหกที่มันเป็นอยู่กับเรานี่สิ ไม่มีปัญหาเรื่องประมาณนี่แหละมันตอมมันแปลงจริงเรีย่ยวที่เละเครื่องจอมปลอมคนอยู่ที่ไหนหาหนูให้ดีนั่นเอาตามหลักธรรมชาติที่เรงสอนว่าของสวยของงามอยู่ที่ไหนของหอมหวนชวนชมอยู่ที่ไหนมันมีแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวเราตั้งแต่ภายนอกเข้าไปถู่ภายในหมดทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปเนี่ยกองอณิจังทุกขังาตาตามหลักธรรมท่าน มันมีที่ตรงไหนที่เป็นไปตามพิเรศที่เราคาดเนันไปตามมาอันนั้นสวยอันนี้งามนั้นเหล่านี้เป็นของเราซึ่งเป็นการปีนเตี้ยวหรือต่อสู้กับทำรบกับทมเท่านั้นคือการเรื่องของพิเรศต้องเป็นค่าศึกต่อธรรมเสมอไปความคิดของเราเป็นเช่นนี้เทียว ก, กับความคิดที่เป็นค่าศึกต่อธรรมทีต่ต้องกลับความคิดนี้ให้เขามาสู่อัดสู่ธรรมคือพิจารณาหนะึ่งให้เป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความจริงแห่งความปฏิกูลนี้ชื่อว่าเห็นตามเป็นจริงเพราะสิ่งนี้เป็นจริงอย่างนั้น พูดถึงอานิจังคือความแปรสภาพทุกขังความเป็นทุกข์กติอนัตตาสภาพหาตนหาบุคคลไม่ได้ในสิ่งที่ปรากฏตัวหรือรวมตัวอยู่นี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ย น, น้ำลมไฟเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นตนเป็นตัวเป็นจัดเป็นบุคคลนี่คือความจริงของธรรมแ้่เราพิจารณาตามเห็นตามนี้แล้วทิเรศก็ต้องหลุดลอยไปความจอมปลอมต้องหลุดลอยออกไปหลุดรอยไปนี่จะความจริงเด่นขึ้นมาตามขั้นเบื้องต้นก็จะเป็นของปัจจุูลซะก่อน พอเลยจากขัานประลิกุลแล้วกับพิจารณาเป็นธาตุก็กลายเป็นธาตุไปเมื่ออันใดก็เป็นอย่างนั้นเป็นธาตุแต่หมดแล้วใครจะหาติดธาตุเอาเฉยเฉยไหนอันนั้นก็ไม่งามอันนี้ไม่งา ม, ม, งามจะไปสําคัญนั้นหมายจะประจิตมันได้ยังไงเพราะมันไม่งามเห็นอยู่ในธาตุเหมือนอย่างกองมูดกองขูดอยู่ตามถนนน้ำทางที่เราเดินไปใคาจะกล้าไปเหยียบมันก็ทราบอยู่ลยแล้วว่านี้คือกองมูดกองขูดน่ะเราเทียบได้อย่างนั้นจิต ก, ก็ไม่เข้าไปแตะไม่เข้าไปเกี่ยวเมื่ออะไ ร, รู้ตามความจริงมัน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 และนอกจากนั้นยังให้กิเลสถุดลากไปตามที่ต่างๆตามอารมณ์ต่างๆนี่มีสักเท่าไหร่เก้าจุด้าเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยนั่นแล้วเราจะหาความสงบสุขเย็นใจมาจากที่ไหนเมื่อเก้าจุ้าเปอร์ซ็นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดห้าเปอร์เซ็นนั้นเป็นเรื่องของธรรมะมันจะมีกําลังพอท่านทานกันได้หรือเราต้องขีดสติปัญญาขึ้นให้มันมีเปอร์เซ็นต์สูงโดยลําดับตําดับดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนการเอาให้จริงให้จังพิจารณาแยกหน้าแยกหลัง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 มื่รู้จริงตรงไหนถอนสิ่งปลอมออกไปรู้จริงมากน้อยเพียงไรสิ่งจอมปลอมถอนตัวออกไปถอนตัวออกไปรู้จริงหมดหมดทั้งร่างร่างกายอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นสําคัญปิดก่อนก็ถอนตัวออกไปเพราะตัวจอมปลอมว่าเป็นเราเป็นเขาี่มันถอนตัวออกไปกิจก็ถอนตัวเข้ามานะปีนาดังนั้นนี่มีส่วนร่างกายพิจารณาให้เห็นชัดเจน จะพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามเป็นทำด้วยกันถ้าพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อรู้แจง้งเห็งจริงไม่ว่าภายนอ ก, ไ ม, าานอกไม่ว่าภายในถูกด้วยกันทั้งนั้นเป็นมากด้วยกันนอกจากพิจารณาผิดภายในภายนอกเป็นผิดทั้งนั้นสําคัญอยู่การพิจ า, ารณาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของพระพุธทธญาติทรงสอนในแล้วข้างนอกก็ตามภายในก็ตามเป็นเครื่องถอดถอนยิเลศความกังวลวุ่นวายยึดถือได้ทั้งนั้น เราเองคือถนัดทั้งภายนอกภายในลวิจารณาภายในกับภายนอกเอามาเทียบเทียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนหาเนี่ยสงสัยไม่ได้แล้วมันจะไปติดกับอะไรจิตนั่นน่ะอืมที่มันติดก็เพราะมันหลงมันไม่รู้ถึงมาท่านสอนท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็นรู้ต้องเพียงความจำเฉยๆความจริงมันยังไม่เข้าถึงตัวเพรา ะ, ะนั้นการภาคปฏิบัติจึงต้องใช้ความจริงคือปฏิบัติจริง ผลปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้จริงนั้นแหละที่นี่เมื่อรู้จริงแล้วมันก็ปล่อยไม่นะว่าสิ่งใดรู้จริงแล้วปล่อยวางก็โดยลำดับเช่นหนึ่งร่างกายอย่างนี้เหมือนกันรู้แจ้งเห็นจริงอย่างชัดเจนจะว่าเป็นธาตุก็ซึ้งภาน จ, จิตใจจะว่าเป็นของปฏิกูลโสโครหรือเป็นไตรลักษณ์อณิจังทุกขั ง, งตาซึ้งเสมอกันไปหมดแล้วหาที่แย้งไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดจิตต้องถอนตัวออกจากอุปท า, านความยึดมั่นภายในกายของตนอย่างกระจักใจไม่ต้องถามใคร ความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไนแต่ก่อนมีโทษอย่างไรบ้างโทษแห่งความยึดมั่นถือมัน่นทําให้หนั ก, น, กน่วมทว ง, งจิตใจลงไปมากน้อยเพียงไหนนานเท่าไหร่เรารู้เพรามันกดทวงอยู่ตลอดเวลาและจิตเมื่อปัญญาไละปิจนารู้แจ้งเห็นจริงในธาตุในขันในอณิจังทุกขังาตาของส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนได้อย่างแจ่มแจ้ชชแชงชัดเจนแล้วรู้แจ้งชัดเจนอีกด้วยแล้วทําไมจิตจะไม่ถอนต้องถอนตัวออกมาอย่าง เด่นชัดทีเดียวนั่นะหมดอุปทานความยึดกายถือกาเพราะความจริงด้วยปัญญาพิจารณาเห็นจริงด้วยปัญญาแล้วถอนออกมาหมดเรียกว่าเป็นอิสระไปขั้นนแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าขันสี่เป็นหมวดเป็นกองแปลว่าหมวดว่ากองขันท่าขันท่าหนึ่ง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 ใจทำไมจะไม่จริงใจไปหลงว่าเวทนาเป็นนั้นเวทนาเป็นนี้เวทนาเป็นค่าสึบตัวเองอย่างนั้นนี้เพราะตัวก็เป็นผู้เ ส, สะแสวงหาสิ่งอย่างนี้มันก็เผาอะไรเสร็เมื่อปัญญาได้อย่างทราก ถ, ถึงเรื่องเวทนาทั้งสามสุขทุกข์เฉยว่าเป็นให้จังทุกขังรตาสัญญาชั้นขามี ญ, ญาณก็พิจารณาแบบเดียวกันนั้น จนซึ้งถึงใจเต็มที่เข้าใจเต็มที่เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายแล้วจิตก็ต้องถอนหมดความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายทั้งหมดในเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยทั้งหมดในส่วนร่างกายนี้เว้นแต่ภานจิตที่ยังไม่สามารถเวทนาจิตมีสุขทุกข์เฉยเฉยเหมือนกัน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 รูปเวทนาสัญญาสังขารบินใหญ่ถอนไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารบินใหญ่ดูภายในใจิตจิตเป็นจิตอาการเหล่านี้เป็นอาการเหล่านี้แม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ด้วยกันมากน้อยยอมรู้ได้ชัดว่านั่นคือหญิงนี้คือชายนี่ยอมรู้ได้ชัดว่านั่นคือรูปนั่นคือเวทนานั้นคือสัญญาสังขารบินใหญ่หนี่คือจิตนี่แหละรู้ทางภาคปฏิบัติรู้อย่างนี้แต่ต้องพิจารณาอย่างที่ว่านี้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 ด้วยปัญญาดังที่ว่านี้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนจิตทั้งดวงก็มีแต่กิเลสกลับจิตเท่านั้นนิเลสไม่มีอยู่ในรูปไม่มีอยู่ในเวทนาไม่มีอยู่ในสัญญาไม่มีอยู่ในสังขารไม่มีอยู่ในยินยานแต่ก่อนมีอยู่เหล่านี้มาแทรกมาซ่อนตัวอยู่หมดทุกแง่ทุกมุมเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นพอสติปัญญ า, ล า, าไล่ต้อนเข้าไปต้อนเข้าไป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 คืออวิชชาเกิดดับเกิดดับรู้ได้อย่างชัดเจนท่านี้เมื่อมีแต่ความรู้อันเด่นดวงไม่สับสนกับอาการใดของขันทั้งขันเราย่อมจะเห็นได้ชัดรู้จิตก็รู้ได้ชัดเวลานั้นแม้อวิชชาอยู่ในจิต เราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอวิชชาเพราะอาวิชชานี่ละเอียดแหลมคมมากเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญกิตเข้าไปถึงขั้นนี้ถ้าไม่มีครูมีอาจารย์ซึ่งเคยผ่านไปแล้วมาแนะนำจะไม่เข้าใจเลยว่านี้เป็นกิเลสนี้เป็นอวิชชาจะเห็นว่าเป็นทองทั้งแท่งทั้งแท่งที่ทองเกม๋มันอยู่นั้นแค่ยู่นั้นด้วยเหตุนี้จึงต้อง อาศยจิต ด, ดวงนั้นซึ่งตามหลักธรรมชาติของมันที่เข้าไปรวมตัวอยู่แล้วย่อมแสดงความสว่างกระจ่างแจ้งความสง่าง่าเผยความอัศจรรย์ทำให้เกิดความอ้อยอิงติดใจอยู่ในจิต ด, ดวงนั้นนั่นแหละปล่อยอะไรหมดแล้วก็ไปยึดกิตติดจิตอยู่นั้นนั่นแหละอุปาทานในจิตเลยเข้าใจว่ามีแต่ มีต่จิตอย่างเดียวไม่ได้นึกเลยว่ามีเสือโคร่งเสือดาวอยู่กับจิตนั้นคืออวิชชาแม้ขัน้นสติปัญญาตโนมัติหรือมหสติมหาสติมหาปัญญาก็ตางยังต้องหลงเพลงของอวิชชาจนได้เพราะวิชาเป็นจอมแห่งไตรภพไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะแหลมคมละเอียดละออยยิ่งกว่าอาวิชชา ภายนอกที่มันแสดงออกมาเป็นความโลภความโกรธความหงหยาบหยาบเรายังหลงไม่หลงโลกทั้งหลายโลภ ก, กันได้ทําไมโกรธกันได้หาอะไรหลงกันหาอะไรก็เพราะเข้าใจว่าสิ่งเนี้มันเป็นของจริงเป็นสิ่งที่จะพึงทํามันจริงปรากฏแสดงอยู่ทั่วโลกทั่วสังขารถ้ารู้ตามเป็นจริงแล้ว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 ผลสุดท้ายคืออันนี้ได้แกความหลุดพ้นหรือการทําลายวิเลททุกประเภทซึ่งเป็นเชื้ออันสําคัญพาให้เกิดแก่เก็บตายในพบน้อยพบใหญ่คืออันธรรมชาติอันนี้แหละที่เกิดในพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำตำ่ำรุมรุมระดัสูงบ้างต่าเอาสูขบ้างทุกบ้างนั้ น, น, น <S <S เกี่ยวกับเรื่องวิบากอีกเพราะอาวิชาเป็นพื้นฐานที่บากก็รองกันมา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 พ้นจากกองทุกข์เพราะอำนาจแห่งความเกิดแก่จะตายนี้ได้แล่วถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครนี่เราให้เชื่อในทางภาคปฏิบัติพิจารณาลงไปเราจะเห็นได้ชัดเรื่องกระแสของจิตที่มันเคยผัวพันกับอดีตอนาคตเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอันเป็นสื่อเป็นทางที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่แม้จะเป็นภพสูงก็ต า, ามก็คือภพคือชาติคือเรื่องของสมมุติต้องมีความทุกข์เกี่ยวปนันอยู่เสมอตามส่วนอย่างภพนั้นๆไม่ใช่ของดี ขาดลงไปขาดสะบั้นลงไปด้วยอํานาจของสติปัญญาจกนกระทั่งถึงขาดภายในจิตซึ่งเป็นตัวเชื้อจริงๆได้แก่อวิชชานั่นแหละเชื้อจริงๆอยู่ตรงนั้นเอาให้ขาดสะบั้นลงจากนั้นแล้วทําไมจะไม่ทราบว่าจะตายอีกหรือไม่ตายอีกจะเกิดอีกหรือไม่เกิดทําไมจะไม่ทราบพระพุธทธเจ้าท่านทราบได้อย่างไงท่านทราบได้อย่างนี้ทราบได้ด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้ทราบได้ ด, ไได้วยภาคจดจําศึกษาเ่าเรียนมาเฉยเฉยท่านทราบด้วยภาคปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงขาดสะบั้นเอาหมด ที่นี่พบไหนจะมาอีกตัวจะตั้งพบตั้งชาติตัวเป็นเชื้อสําคัญได้ถูกทําลายลงแล้วโดยสิ้นเชิงเห็นพระจักรด้วยปัญญาไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเหลือแต่ธรรมาชาติของจิตที่บริสุทธ์ ต, ต้นล้วนเกิดได้อย่างไรแล้วจะดับได้อย่างไรรู้เห็นอยู่นั้นจะสูญไปได้อย่างไหนรู้อยู่นี้สูญไปได้อย่างไหนนี่หลักธรรมาชาตินี้ลบได้อย่างไรความจริงความบริสุทธ์ก็คือความจริงเราจะไปลบความบริสุทธ์อันเป็นความจริง ของจิตนั้นได้อย่างไรนั่นมันจึงเป็นเรื่องงมเงาเป็นเรื่องเก่ามาัดแล้วหลับพวกเราเอาให้ถึงจริงสิเระพุทธเจ้าท่านสอนจริงนั่นเพราะท่ทานรู้จริงจริงเหล่านี้ไม่นอกเหนือไปจากจิตของเราทุกๆคนเอาลงให้พ้นให้พ บ, พบเมื่อถึงขั้นนั่นแล้วมันหมดเองเรื่องอดีตปัญหาหมดไปอนาคตที่จะจะไปเกิดในภพใดชาติใดสูงต่ำขนาดไหนรับความสุขความสบายยังไงสเสวยอะไรหมดตัญหาปัจจุบันก็รู้เท่า ก็รู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลายึดที่ไหนกิเลสไม่มีแล้วไม่ยึดแม้แต่ความบริสุทธิ์ก็ไม่ยึดตัวเองเพราะไม่ใช่กิเลสถ้ากิเลสอยู่ที่ไหนต้องพาให้ยึดทั้งนั้นมีมากมีน้อยยึดตามมากตามน้อยมีกิเลสมากน้อยเพียงไรพาให้ยึดจิตตลอดเวลาแม้ที่สุดมีอยู่ในจิตมันยังต้องยึดจิตจนได้นั่นเมื่อทําลายออกจากจิตนั้นเสียโดยชิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยึดมีแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวก็เท่าเท่านั้นหาความยึดไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งเป็นสาเหตุให้ยึด พิเรศไม่มีนั่นแ่ละพิเรศเป็นตัวอย่างให้ดูไม่มีนั่นแหละรู้ตรงนั้นนี่ล่ะชันทิติโกท้าทายอยู่ตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีแรกสั่งสอนโลกที่แรกมาจนมาทั่งปัจจุบันนี้ธรรมานี้ไม่เคยล้าสมัยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาท่ามกลางหรือเหมาะสมีตลอดเวลาโยสันทิติโก้ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตนทุกคนและวิธีการที่จะให้รู้ให้เข้าใจก็ ทงสอนไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทามีสมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แก่นแห่งธรรมแก่นแห่งปฏิปทาเอานํามาปฏิบัติอยู่ที่ไหนท่านเรียกว่า ม, าาางงมัชฌิมาปฏิปทานี่เองเอาให้จริงให้จังเราเป็นนักปฏิบัติอย่าให้เสียท่าเสียทีอย่ามานอนอยู่เฉยเฉยสถานที่เ่านี้ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมูเอาให้จริงให้จังพราะพระพุทธเจ้าไม่ ใช่หัวหน้าเลี้ยงหมูนี่ศาสนาธรรมก็ไม่ใช่อาหารปนปลือหมูเป็นโต้งสอนในคนโพกแทบล้มแทบตายสิงพบมาสังสอนโลกเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้เอาตามหลักธรรมพุทเจ้าดําเนินตามนั่นแตเป็นไปไหนถ้าไม่เป็นไปตามหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนไม่เป็นอย่างอื่นเอาทําให้จริงให้จังก็แล้วกันยูนด้วยกันก็ยังเห็นอยู่นี่เห็นความเชื่อเสืสา่สาสความไม่มีสติสตัง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 กิเลสมันแหลมคมไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในโลกอนี้แต่เมื่อไปครอบผู้ใดแล้วทําคนนั้นให้โง่ตัวกิเลสนั้นแหลมคมฉลาดมากที่สุดจึงได้ครองโลกวัฏจักรนี้เพราะอานาจของกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ครองเราอยากเข้าใจว่าอันใดเป็นเจ้าอํานาจให้ครองโลกวัฏจักรคือความเกิดแก่เสด็จตายของสัตว์โลกทําไมกิเลสจะเป็นอะไรเราอยากจะทราบชัดก็ค้นลงไปที่หัวใจลราสิดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันจะทราบที่ตรงนั้นเมื่อกิเลส ทุกประเภทหมดไปจากใจแล้วใครจะมาคลองอไม่มีใครคลองลอ่ะจริง เ, เป็นอิสระเต็มที่ฉันขอให้พากันตั้งอกตั้งใจรับพิสปิบัติอาจารย์ปัญญาตอนนี้อาปัญญาอธิบายมากเพิ่มเติมทุกทกัยนากัน